ลำดับนั้นพระนางรุจาราชธิดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปแก่พระราชบิดานั้นจึงตรัสว่าชายใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกทุกชาติไปก็พึงเว้นภรรยาผู้อื่นเสียเหมือนบุคคลล้างเท้าสะอาดแล้วเว้นเปลือกตมฉนั้นหญิงใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกทุกชาติไปก็พึงยำเกรงสามี เหมือนนางเทพอับษรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรงพระอินฉะนั้นผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปทั้งหลายประพฤตแต่สุจริตรมสามอย่างสตรีก็ตามปุรุษก็ตามควรเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยกายวาจาใจมีปัญญาเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตน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 ปานดังนางเทพอักษรผู้ประดับคลุมกายด้วยร่างแหทองเหล่านี้พระองค์ทรงได้มาเพราะผลแห่งกรรมอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นโหตุงได้แก่เพื่อเป็นคำว่ามีโคพครั์บริบูรณ์ทุกอย่างสัพพะสมมันตะโภคาได้แก่มีโภคะทุกอย่างบริบูรณ คำว่าได้สังสมกรรมดีสุจินนังได้แก่สังสมไว้ด้วยดีคือกระทากัลยาณกรรมคาว่ามีกรรมเป็นของของตนกรรมัสกาเสความว่ามีกรรมเป็นของตนคือเสวยผลของกรรมที่ตนทำนั่นเองไม่ใช่กรรมที่มารดาบิดาทำแล้วให้ผลแก่บุตรทีดา ไม่ใช่กรรมที่บุตรธิดาเหล่านั้นทำแล้วให้ผลแก่มารดาบิดากรรมที่คนนอกนั้นกระทาจะให้ผลแก่คนนอกนั้นได้อย่างไรสัพว่าอิงคะเชิญเถิดเป็นนิบาตใช้ในอัดว่าทักท้วงคำว่าทรงพระราชดำริอนุจินเตสิได้แก่พึงคิดบ่อยๆคำว่าเหล่านี้ พระองค์ทรงได้มายาเตอมาความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอันดับแรกพึงคิดด้วยตนเองดังนี้ว่าหญิงที่บำรุงบำเรอพระองค์ 16,000 นางนี้นั้นพระองค์นอนหลับได้มาเพราะเหตุอะไรหรือได้มาเพราะกระทาการปล้นในหนทางหรือตัดช่องย่องเบาเป็นต้นได้มา หรือได้มาเพราะอาศัยกลยาณธนักรรมเป็นต้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าพระนางรุจาราชกัญญาทรงยังพระเจ้าอังคติราชพระชนกนาทให้ทรงยินดีพระราชกุมารีผู้มีวัดอันดีงามราบทุนทางสุขติแก่พระชนกนาทดังหนึ่งบอกทางให้แก่คนหลงทาง และได้กราบทูลข้อธรรมถวายโดยในต่างๆดังนี้แลบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าดังนี้แลอิเจเจวังความว่าภิกษุทั้งหลายพระราชกัญญานั้นทรงยังพระราชบิดาให้ทรงยินดีด้วยถ้อยคำอันไพเราะเห็นปานนี้ด้วยประการชนิทูลบอกทางสุขติแด่พระชนกนาสนั้น เหมือนคนบอกขนทางแก่คนหลงทางฉะนั้นและเมื่อจะทรงกล่าวธรรมแกพระชนกนาถนั่นแหละได้ทรงกล่าวสุจริต ธ, ธรรมด้วยในต่างคําคำว่าผู้มีวัดอันดีงามสุภตาได้แกผู้มีวัดอันงดงามพระนางรุจาราชธิดาได้ทูลเล่าถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตและแสดงธรรมถวายแด่พระชนกนาถ ตั้งแต่เช้าตลอดคืนอย่างรุ่งแล้วกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์อย่าทรงถือถ้อยคาของคนเปลือยกายผู้เป็นมิจฉาทิฐิเลยโลกนี้มีโลกหน้ามีสมณะพรา ม, มีผลของความดีความชั่วก็มีขอพระองค์จงเชื่อฟังคำของกาละยานามิตรเช่นกระหม่อมชั้นกล่าวนี้เถิดอย่าได้ทรงเล่นไปในที่มิใช่ท่าเลย แม้เมื่อพระนางรุจาราชธิดากราบทูลถึงอย่างนี้ก็ไม่อาจปลดเปลื้องพระชนกจากมิจฉาทิฐิได้ส่วนพระเจ้าอังคติราชทรงสดับวาจาอันไพเราะของพระราชธิดานั้นแล้วทรงปลื้มพระราชหฤทัยอย่างเดียวจริงอยู่มารดาบิดาย่อมรักเอนดูถ้อยคำของบุตรที่รัก แต่คำพูดนั้นหาทำให้บิดาและมิจฉาทิฐิได้ไม่แม้ชาวพระนครก็ลือกระชอนกันว่าพระนางรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรมหวังจะให้พระชนกและมิจฉาทิฐิมหาชนพากันดีใจว่าพระราชธิดาเป็นบัณฑิตปลดเปลื้อมิจฉาทิฐิพระชนกได้แล้วจักทำความสวัสดีให้แก่ชาวพระนครทั้งหลายในวันนี้ พระนางรุจาราชธิดาเมื่อไม่อาจปลุกพระชนกให้ตื่นได้ก็ไม่ทรงละความพยายามเลยทรงดำริหาช่องทางต่อไปว่าจักหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทำความสวัสดีแก่พระชนกแล้วประคองอัญชลีกรรมขึ้นเหนือพระเศียร น, นามสการทิศ ท, ทั้งสิบแล้วทรงอธิษฐานว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีเท้าโลกบาลเท้ามหาพรหมเป็นผู้บริหารโลกข้าพเจ้าขอเชิญท่านเหล่านั้นมาปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิของพระชนกนาฏของข้าพเจ้าด้วยกำลังตนเมื่อพระคุณของพระชนกนาฏไม่มีขอเชิญด้วยคุณด้วยกำลังและด้วยความสัตย์ของข้าพเจ้าจงมาช่วยปลดเปลื้องความเห็นผิดนี้จงได้มาทำความสวัสดีแก่สากลโลก ในการนั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหมนามว่านาระทะก็ธรรมดาพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาของตนเที่ยวตรวจดูโลกตามการอันควรเพื่อจะดูเหล่าสัตว์ผู้ปฏิบัติ ด, ดีและปฏิบัติชั่วในวันนั้นท่านตรวจดูโลกเห็นพระนางรุจาราชธิดานั้นกำลังนำ้ำมกรารเหล่าเทวดาผู้บริหารโลก เพื่อจะปลดเปลื้องพระชนกนาฏจากมิจฉาทิฐิจึงมาดำริว่าคนอื่นเว้นเราเสียย่อมไม่สามารถเพื่อจะปลดเปลื้องมิจฉาทิฐิพระเจ้าอังคติราชนั้นได้วันนี้เราควรจะไปกระทําการสงเคราะห์ราชธิดาและกระทําความสวัสดีแก่พระราชาพร้อมด้วยบริวารชนแต่จะไปด้วยเพศอะไรดีเนาะเห็นว่าเพศบรรพชิต เป็นที่รักเป็นที่เคารพมีวาจาเป็นที่เชื่อฟังยึดถือของพวกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยเพศบรรพชิตครั้นตกลงใจชะนี้แล้วก็แปลงเพศเป็นมนุษย์มีวันละดังทองคำหน้าเลื่อมใสผูกชดามนทนอันงามจับใจปักปิ่นทองไว้ในระหว่างชดานุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายในทรงผ้าเปลือกไม้ย้อมฝาดไว้ภายนอก กระทำเฉวียงบาด้วยผ้าหนังเสืออันแล้วไปด้วยเงินซึ่งคลิบด้วยดาวทองแล้วเอาพิกขาภาชนะทองใส่สาแรกรอันประดับด้วยมุกดาข้างหนึ่งเอาคนโถน้ำแก้วประพานใส่ในสาแรกรอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ยกคานทองอันงามงอนขึ้นวางบนบ่าแล้วเหาะมาทางอากาศด้วยเพศแห่งฤาษีนี้ไพโรธโชตช่วงประหนึ่งพระจันเพน ลอยเด่นบนพื้นอากาศเข้าสู่พื้นใหญ่แห่งจันทกะปราสาทที่ตกแต่งไว้แล้วได้ยืนอยู่ณเบื้องพระพักพระเจ้าอังคติราชพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าในการนั้นนารถามหาพรหมตรวจดูชมภูทวีปได้เห็นพระเจ้าอังคติราชผู้ทรงมีความเห็นผิดจึงมาจากกรมโลกถึงถิ่นมนุษย์ ลำดับนั้นนารทมหาพรหมได้ยืนอยู่ที่ปราสาทเบื้องพระพักแห่งพระเจ้าวิเทหราชก็พระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทฤาษีนั้นมาถึงจึงนมัสการบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้เห็นอัทธสะความว่านารทมหาพรหมผู้สถิตยอยู่ในพรหมโลกนั่นแหลได้เพ่งดูชมภูทวีป ได้เห็นพระเจ้าอังคติราชผู้ยึดถือความเห็นผิดในสำนักของคุณาชีวะกะอธิบายว่าเพราะเหตุนั้นจึงมาคําว่าได้ยืนอยู่ที่ปราสาทตะโตปติถะความว่าแต่นั้นรมนั้นเมื่อจะแสดงรอยในที่ไม่มีรอยนั้นในปราสาทนั้นณนะเบื้องพระพักของพระราชานั้น ผู้แวดล้อมไปด้วยหมู่อมรรจ์ประทับอยู่จึงยืนอยู่บนอากาศคําว่ามาถึงอนุ ป, ปัตตังแปลว่าถึงแล้วคือมาถึงแล้วคําว่าฤาษีอิสิงความว่าพระศาสดาตรัสเรียกว่าอิสิง์เพราะมาด้วยเพศแห่งฤาษีคําว่าจึงนมัสการอาวันทะทะความว่า พระนางรุจาราชธิดานั้นทรงยินดีร่าเริงว่าเท้าเทวราชนั้นจักมาทำความการุณาในพระชนกนาฏของเราเพื่ออนุเคราะห์แก่เราจึงโน้มกายลงนมสการนารถามหาพรหมเหมือนต้นกล้วยทองที่ถูกลมพัดโน้มลงฉะนั้นฝ่ายพระราชาพอเห็นนารถามหาพรหม ถูกเดชแห่งพรมคุกขามแล้วไม่สามารถจะทรงดำรงอยู่บนราชอาณจของพระองค์ได้จึงเสด็จลงจากราชอาจประทับยืนอยู่ที่พื้นแล้วตรัสถามพระนาระทะถึงเหตุที่เสด็จมาและนามและโคดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าครั้งนั้นพระราชาทรงบาดพระหารุไทยเสด็จลงจากราชอาณาจ เมื่อจะตรัสถามนาระทะรือสีได้ตรัสพระดำรัตนี้ว่าท่านมีผิวพรรณงามดังเทวดาส่องรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศดังพระจันทร์ท่านมาจากไหนหนาะข้าพเจ้าถามแล้วพอท่านจงบอกนามและโครแก่ข้าพเจ้าคนในมนุษย์โลกย่อมรู้จักท่านอย่างไรหนอะ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงวาดพระหฤรุไทยพยามหิตามาณโสได้แก่เป็นผู้มีจิตคิดกลัวคำว่าจากไหนหนอกุโตนุความว่าพระราชาทรงสำคัญว่าผู้นี้เฉลอยว่าเป็นวิชาทอนหรือหนอจึงไม่ทรงว้ายแล้วถามอย่างนี้ลำดับนั้นนารทะรือสีคิดว่า พระราชานี้สาคัญว่าประโลกไม่มีเราจักบอกเฉพาะประโลกแก่พระราชานั้นก่อนจึงกล่าวคาถาว่าอัตมภาพมาจากเทวโลกเดียวนี้เองทรงรัศมีสว่างจ้าไปทั่วทิศดังพระจันทร์มหาบาพิตรัถามแล้วอัตมภาพขอถวายพระพร น, นามและโคดให้ทรงทราบคนทั้งหลายรู้จักอัตมภาพโดยนามว่านารทะ และโดยโคดว่ากัสปะบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าจากเทวโลกเทวะโตได้แก่จากโลกสวรรค์คําว่าโดยนามว่านารทะและโดยโคดว่ากัสปะนารโทกัสโปจะความว่าคนทั้งหลายรู้จักอัตมาภาพโดยชื่อว่านารทะและโดยโคดว่ากัสปะ ลำดับนั้นพระเจ้าอังคติราชทรงพระดำริว่าเรื่องประโลกเราจักไว้ถามภายหลังเราจะถามถึงเหตุที่เธอได้ริษเจกนแล้วจึงตรัสคาถาว่าสันฐานของท่านและการที่ท่านเหาะไปและยืนอยู่บนอากาศได้น่าอัศจรรย์ท่านนารทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่าน เออเพราะเหตุอะไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายาธิสัญจะความว่าสันฐานของท่านเป็นเช่นใดท่านเหาะไปและยืนอยู่บนอากาศได้อย่างไรนี้น่าอัศจรรย์ลำดับนั้นท่านนารทฤาษีจึงทูลว่าคุณธรรมสี่ประการ น, นี้คือสัจจะหนึ่งธรรมะหนึ่งธรรมะหนึ่ง จาคะหนึ่งอัตมภาพได้ทําไว้แล้วในภพก่อนเพราะคุณธรรมที่อัตมภาพเสพมาดีแล้วนั้นนั่นแลอัตมภาพจึงไปไหนไหนได้ตามความปรารถนาะเร็วทันใจบรรดาคํำเหล่านั้นคําว่าสัจจะสัจจังได้แก่วจีสัจจะคําว่าธรรมะธ ร, รมโมจะได้แก่สุจริตธรรมสามประการ และฌานธรรมอันเกิดแต่การบริกรรมกะสินคำว่าทะมะทะโมได้แก่การฝึกอินทรีย์คำว่าจาคจาโคได้แก่การสละกิเลสและการสละไยยธรรมด้วยคำว่าอัตมภาพได้ทำไว้แล้วในภพก่อนปกตาปุรานานารทะฤษีแสดงว่า เราได้กระทำไว้ในพบก่อนข้อว่าเพราะคุณธรรมที่อัตมภาพเสพมาดีแล้วนั้นนั่นแหลเตเหวะธรรมเมหิสุเสวิเตหิความว่าด้วยคุณธรรมทั้งปวงนั้นซึ่งอัตมภาพได้เสพดีแล้วคือได้อบรมมาแล้วคำ ว, ว่าเร็วทันใจมโนชะโบได้แก่เร็วดังใจคิด เพราะว่าอัตมภาพจึงไปไหนไหนได้ตามความปรารถนาเยนะกามังคโตสมิความว่าอัตมภาพจะไปในแดนของเทวดาและแดนของมนุษย์ได้ตามความปรารถนา